พระพุทธเจ้าได้ชื่อว่ารู้จักความสุขอันน่าปรารถนาสูงสุดมาทุกรูปแบบแล้วทั้งที่กลัวอยู่ด้วยกรรมคุณหทั้งที่สะอาดผ่องใสอยู่ด้วยฌานสมาบัติ8อีกทั้งยังได้ชื่อว่ารู้จักทุก์เพราะการทรมานตนเองอย่างอุกฤษชนิดไม่มีใครในโลกเทียบเทียมกระทั่งท่านหยุดมองความจริงผ่านความเชื่อแล้วเปลี่ยนมาเป็นเห็นความจริงในปัจจุบันผ่านสติอย่างใหญ่ เห็นเหตุปัจจัยของสิ่งต่างๆตามที่เป็นอยู่อย่างนั้นๆด้วยพระปัญญาอันลึกซึ้งเกินสามัญมนุษย์กระทั่งพบเขาเงื่อนของทุก์ต้นต่อของภพชาติคือตัณหาซึ่งหมายเอาทั้งความทยานอยากในกามความทยานอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นรวมทั้งความทยานอยากพ้นจากสภาพอันไม่น่าชอบใจทั้งหลาย เมื่อฉันเห็นอาการที่จิตทยานอยากชัดๆในเดือนที่ห้าฉันจึงกลับมาทำความเข้าใจกับต้นต่อทุกข์ได้อย่างชัดเจนลึกซึ้งยิ่งขึ้นกว่าเมื่อครั้งเพิ่งเริ่มศึกษาศาสนาที่ยังคิดคิดเอาเฉยเฉยหาใช่เรื่องง่ายที่เราจะระ ง, งับจิตไม่ให้ทยานไปยึดอายตนะภายนอกที่ปราศจากยั่วราคะโทสะต้องอาศัยความเข้าใจอาศัยความคิดสละ และอาศัยความเพียรกำหนดสติเข้ามาในกายใจอย่างต่อเนื่องนานพอแน่นอนถ้าไม่มีผู้นำไม่มีผู้ยืนยันไม่มีผู้ทําให้คนหมู่มากเริ่อมใสก็คงไม่มีใครเชื่อว่ามนุษย์หน้าไหนจะสามารถทําลายความทยานอยากให้พินาศไปกับทั้งไม่มีใครเดาถูกว่าทําลายความทยานอยากแล้วจะได้สวยรถอันเหนือรถประการใดน่าสงสัยว่าแลกกันคุ้มแน่ หรือกับที่ต้องสูญเสียกรรมอันน่าพิศว ง, ลงหลงไหลในโลกไปหมดพระพุทธเจ้าเป็นอริยเจ้าระดับอรหันต์องค์แรกของโลกหมายความว่าท่านทำเรื่องเหลือเชื่อได้สำเร็จจิตของพระองค์ไม่อาจเกิดอาการทยานอยากได้อีกและพระองค์ก็มีสุรเสียงที่ดังพอจะประกาศกลองไปได้ตลอดโลกกับทั้งกังวานนานมาได้จนถึงบัดนี้ สรุปคือนอกจากจะแก่กล้าพอจะประหัตประหารกิเลส ด, ด้วยตนเองแล้วองค์ท่านยังมีพระกำลังพอจะตั้งศาสนาชี้นําผู้มีปัญญาให้ค่ากิเลสตามได้ด้วยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์สำเร็จอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้เพราะพวกท่านสนพระไัยในสั จ, จะความจริงเกี่ยวกับเรื่องทุกข์และการดับทุกข์อย่างยิ่งยวด พระสาวกที่เจริญรอยตามบาทพระศัสดาได้ก็เพราะสนใจสัจจะเดียวกันนั้นด้วยจึงกล่าวได้ว่าสัจจะความจริงที่เหล่าอริยะเจ้าให้ความสนใจคือเรื่องของทุกข์และการดับทุกข์นั่นเองเพราะเมื่อสนใจแล้วลงมือกระทําการเพื่อความเข้าถึงแล้วย่อมเป็นผู้ละทุกข์เสียได้อริยสัจมีสี่ข้อได้แก่หนึ่ง ทุกคืออุปาทานขันห้าหรือกายใจอันเป็นที่ตั้งของอุปาทานนี้เองเมื่อถึงคราวแก่เจ็บก็ทําให้เราต้องทนทรมานปวดเมื่อยเมื่อแตกตายเป็นเหตุให้พรากจากบุคคลอันเป็นที่รักก็ทําให้เราต้องร้องไห้คร่ำครวญทุกโทมนัสสรุปคือกายใจนี้เป็นทุกข์ด้วยสภาพบีบคั้นในตัวเองแถมยังเป็นภาชนะรองรับทุกขเวทนาทั้งปวง ที่เกิดขึ้นระหว่างมีชีวิตด้วยสองสมุทัยคือความทยานอยากหรือเรียกสั้นๆว่าตัณหาก็ได้ตัณหาแบบอยากเอามาเป็นของตัวก็เป็นแบบหนึ่งกระทำจิตให้มีสภาพดูดเข้ามาตัณหาแบบอยากไล่ให้พ้นตัวก็เป็นแบบหนึ่งกระทำจิตให้มีสภาพผลักออกไปล้วนแล้วแต่ต้องออกแรงทั้งสิ้น กระทำจิตไม่ให้สงบสบายและยังก่อความยึดติดในอุปาทานขันห้าเป็นเหตุให้เกิดความสืบทอดอุปาทานขันห้าไม่จบสิน้น 3. นิโรธคือความดับทุกข์โดยความหมายสูงสุดคือดับทุกข์อย่างสนิทไม่กลับกำเริฟฟื้นคืนได้อีกเป็นรสอันเหนือรสที่รู้ได้ตั้งแต่ยังครองอัตภาพมีชีวิตเป็นมนุษย์ เป็นรถที่พระพุทธองค์ตรัสว่ายอดเยี่ยมไม่มีรถใดเกินและก็ได้มีบุคคลช่วยเป็นพยานยืนยันตามพระองค์มากมายเป็นหลักฐานว่าพระองค์ท่านไม่ได้คิดไปคนเดียว 4. มัคคือวิธีเข้าถึงความดับทุกจะเรียกว่ามัคมีองค์แปก็ได้หรือจะเรียกว่าสติปัฏฐานสี่ก็ได้สรุปคือความจริงต่างๆทั้งสี่ข้อนี้มีอยู่แน่แน่ แต่คําถามคือเราเห็นความจริงกันแค่ไหนเอาแค่ความจริงข้อแรกนั้นถ้าพูดกันขึ้นมาถ้างเงี่ยหูฟังกันสักหน่อยก็คล้ายจะเข้าใจและอืออ่อตามกันไม่ยากแต่เอาเข้าจริงมีใครบ้างไม่หวังสวยสุข ด, ด้วยกายใจนี้ความหวังสวยสุขเวทนาอันเนื่องด้วยกายความหวังสวยสุขเวทนาอันเนื่องด้วยใจนั่นแหละ คือตัวฟ้องว่าเราไม่ได้เห็นซึ้งเรื่องอุปาทานขันห้าเป็นทุกข์จริงๆเท่าที่เจริญสติปัญญามาเกือบครึ่งปีฉันเห็นความจริงข้อแรกบ้าง ว, ว, วูบวบับๆบบางครั้งขณะที่จิตเห็นกายคือลมหายใจให้กับอากาศว่างภายนอกและมีความเรียกร้องจะเอาลมอีกฉันเห็นความทุกข์ของกายในยรูปความทนไม่ได้ความเป็นของแตกดับง่าย ถ้าไร้เครื่องช่วยประทังชีพหรือเมื่อเวลาป่วยไข้แล้วกายพยศแบบชัดๆอันนั้นก็เห็นสภาวะทุกของอุปาทานขันห้าได้ถนัดใจดีเหมือนกันแต่นอกเหนือจากนั้นล่ะมีหลักฐานใดบ้างไหมที่ฉันยังสรรเสริญการมีอยู่ของอุปาทานขันห้าเมื่อสำรวจจริงๆจังๆฉันพบว่าขณะที่สติหายไปนอกขอบเขตกายใจจิตยังมีความอาลัยอาวรณ์ กลัวความไม่มีตัวตนกลัวไม่ได้ช่วยเหลือครอบครัวและบุคคลอันเป็นที่รักกลัวไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นอะไรเหมือนอย่างนี้อีกแค่นี้ก็ชี้ชัดแล้วว่าฉันเห็นอริยาาสัจข้อแรกด้วยความคิดแต่อริยาาสัจข้อแรกยังไม่ปรากฏ ต, ต่อจิตอย่างแจ่มชัดสักเท่าใดเลยทว่าการสารวจลงไปถึงระดับจิตนั่นเองก็ทาให้ฉันเห็นเครื่องผูกให้ติดใจอุปาทานขันห้าชัดเจนขึ้น ความอาไลาอวรนกายใจนี้เองคือภาวะตันหาหรือความอยากมีอยากเป็นตราบใดที่ภาวะตันหายังมีตราบนั้นย่อมเกิดกระบวนการสืบต่อของการมีการเป็นเรื่อยไปเอาภาพใหญ่ที่สุดเมื่อถึงเวลากายนี้แตกดับจิตที่ยังมีเชื้อกิเลสย่อมปฏิสนธิในภพใหม่ที่สอดคล้องกับวิธีคิดวิธีพูดและวิธีทำจนเป็นนิสัยหลักก่อนตายหรือดูเป็นภาพเล็กที่สุด เมื่ อ, อยังมีตัวกูอยู่ในความรู้สึกก็ย่อมเกิดแรงขับดันให้กระทําการเพื่อตัวกูเป็นขณะขณะไม่ว่าจะต้องทําด้วยอาการหน้าสว่างหรือหน้ามืดก็ตามอย่างเช่นเห็นรถโผล่หัวออกมาจากปากซอยแล้วยังลืมให้ทานบ่อยๆ ย, ยังรีบเร่งเครื่องไปกันเข้าไว้เพื่อตัวเองจะได้ไม่ต้องเสียเวลาชะลอเมื่ อ, อยังมีการกระทําเพื่อตัวกูฉันก็ตระหนักถึงความไม่ปลอดภัย ความเป็นไปได้ที่จะต้องท่องไกลไปในสังสารวัฏฉันเคยประจักษ์ใจมาแล้วในช่วงชีวิตที่ผ่านมาก่อนหน้าจเจริญสติปัญฐานเต็มกำลังกิเลสย่อมไม่กลัวบาปไม่เห็นบาปเป็นโทษภัยทำอะไรเพื่อตัวกูได้เป็นธรรมทั้งนั้นสำหรับฉันในห้วงเวลานี้ตัณหานั้นจะดูง่ายในกรณีที่มาในรูปของแรงดันหรือแรงขับหนักๆ ห, กหกยับหยบ ให้จิตทยานออกไปยึดวัตถุหรือบุคคลอันเป็นของภายนอกเพราะจิตที่จเจริญสติปัฏฐานมาดีย่อมเบาเป็นปกติเมื่อบังเกิดความอยากหนักหนักต้องรู้สึกแตกต่างผิดปกติเป็นธรรมดาแต่เมื่อตัณหามาในรูปของความอ้อยอิ่งแช่จมอยู่ในหนองน้ำแห่งความอาลัยอาวร์อย่างนั้นจะเห็นยากเพราะไม่ค่อยเต็มใจใจะเห็นจิตต้องมีราวเกาะอย่างลมหายใจ หรืออิริยาบทที่คงเส้นคงวามากๆเห็นสุขขเวทนาและทุกขเวทนามาหลายร้อยหลายพันรูปแบบจนชินชานั่นแหละจึงค่อยเห็นอาการอ้อยอิงอาลัยอาวรณ์ชัดเจนปีที่แล้วฉันยังเป็นนักสะสมตัวยงฉันชอบหนังสือและซีดีเพลงการสะสมสิ่งเหล่านี้ทำให้รู้จักจาแนกสมบัติเป็นหมวดหมู่ฉันเป็นสุขที่ได้รู้สึกว่ามี และเคยเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งกับเกเรเทพนักเขียนนามอุโคทที่ว่านักสะสมเป็นพวกที่มีความสุขแต่บัดเนี้ยมุมมองของฉันเปลี่ยนไปนักสะสมเป็นพวกที่ไม่อาจมีความสุขจากการปล่อยวางเลยปีนี้วันนี้ฉันจะรบกับความอ้อยอิงอะไรด้วยทานอย่างใหญ่ฉันเลือกหนังสือที่วางบนหิ้งเฉยเป็นแรมปีออกมานับร้อยเล่ม ขนใส่ท้ายรถไปบริจาคให้กับห้องสมุดประชาชนและแหล่งรับอื่นๆที่เขาจะนำไปจ่ายแจกให้ผู้ด้อยโอกาสทั้งหลายนอกจากนั้นยังมาเมียงมองซีดีเพลงอิมพอร์ตกองภูเขาที่เคยรักเป็นนักหนาแต่ปัจจุบันมีอารมณ์แบบ3าวันฟังหนึ่งเพลงต้องใช้เวลาเกินปีกว่าจะฟังครบแล้ววนกลับมาฟังซ้าเลยตัดสินใจเอาไปขายตามย่านชุมชนนักฟังในราคาถูกลง สามถึงสี่เท่าตัวด้วยฉันเห็นความเสียดายปรากฏตัวขึ้นกลางจิตอย่างเด่นชัดมันทำให้ซึมเศร้าเล็กๆทอดตาเมื่อเหนือหน่อยๆแต่ก็หายขาดเป็นปลิดทิ้งเมื่อฉันนำเงินทั้งหมดไปซื้อสังฆทานถวายพระเก้ารูปที่วัดแห่งหนึ่งแถบชานเมืองความอ้อยอิงปลเป็นความว่างโล่งเบิกบานฉันอธิษฐานขอให้บุญและความสุขอย่างใหญ่นี้ จงเกื้อหนุนให้จิตปล่อยวางอุปาทานความยึดมั่นในขันห้าได้ง่ายยิ่งยิ่งขึ้นความดับของอาการทุรนอยากและอ้อยอิงอาวรเป็นเช่นนี้เองแม้ยังไม่ถึงนิพพานก็พออนุมานได้จากจิตที่สดใสสว่างโพลเต็มดวงราวกับเข้าสมาธิชั้นดีชั้นยิ้มอย่างคนที่รู้จักอิสรภาพเชื่อว่าคนไม่รู้จักอิสระภาพทางใจไม่มีสิทธิ์ยิ้มได้อย่างนี้ เป็นยิ้มที่ไม่แลกอะไรนอกจากใจอันปลอดโปรง่งจากความอ้อยอิงอาวรณ์อะไรอีกอย่างที่ยังเสียดายและอะไรรักเป็นนักหนาฉันคิดขณะเดินตามทางอันขนาบด้วยแนวไม้ใหญ่คล้มฉันยังใช้ชีวิตครวะาตามปกติยังไม่คิดบวชอะไรแม้สนใจพุทธเชิงปฏิบัติมานนานนี่เรียกว่าความหวงได้หรือเปล่าฉันหยุดยืนมองกุฏิพระ งานมองใบไม้เขียวต้องลมครูเกลีกยวจิตใจเยือกเย็ยนไม่คิดเอาอะไรโลกนี้มีที่เดียวไม่น่าอยู่คือใจอันเป็นที่ตั้งของทุกนอกนั้นจะระเหเร่ร่อนไปไห น, ไหนก็ตามทุกแห่งคือสถานที่อันน่าเรื่นรมได้ทั้งหมดเข้าใจอารมณ์ของผู้สแสวงหาความหลุดพ้นที่ทิ้งได้หมดทุกอย่างเหลือแต่ตัวเ ป, ปล่าๆกับผ้าห่อพันร่างกันอุจารเพียงผืนเดียว สมองของฉันเริ่มคิดอะไรเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นการปลงผมขอบวชนั้นง่ายแต่การมีใจถือบวชนี้ซิยากฉันจะลองสำรวจตัวเองว่าใจเป็นพระแน่หรือยังเมื่อแน่ใจว่าใช่พระแล้วก็น่าบวชเพื่อรบกับกิเลสเต็มอัตราสึกเสตีจะชั่วคราวหรือชั่วชีวิตก็สุดแท้แต่ว่าสนาแล้วกัน